ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลรลวงปพุธิยานกำลังนำเสนอตอนที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารก็อยู่ในช่วงที่รับสั่งสอบถามพระอุโมรุเวลากัะสปะเพื่อแก้ปัญหาข้อข้องใจสงสัยภายในใจของคนที่มาเฝ้า เพราะคนเหล่านั้นเกิดสงสัยว่าพระพุทธเจ้ากับอุรุเวลากัรสปะในใครเป็นลูกศิษย์ใครเป็นอาจารย์กันแน่พระเจ้าทรงรู้ด้วยะยานว่าคนเหล่านั้นก็ค้องใจสงสัยอยู่ก็เลยกระรักสั่งสอบถามท่านอุรุเวลากัรสปะว่าดูก่อนท่านผู้อยู่ในอุรุเวลามานาน เลยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชนดินผู้้อมเพราะกำมังพรตท่านเห็นเหตุอะไรจึงยอมละเพลิงเสียเล่ากษริปารถามเนะ้วยความนี้กับท่านท่านละเพลิงที่บูชาเสียทำไมเล่าตนนู้เวลากันปปรปะกราบทูลว่ายันทั้งหลายกล่าวยกย่องรูปเสียงและรถที่น่าปรารถนาและสตรีทั้งหลายข้ารู้ทีเจ้ารู้ว่านั่นเป็นมนชินในอุปชิทั้งหลาย ตัว อ, อยนั้นจึงไม่ยินดีในการเส้นสวงในการบูชาพระพุทธวภาชตร ถ, ถามว่าดุกกรกัสปะก็ใจของท่านไม่ยินดีแล้วในอารมณ์คือรูปเสียงและรสเหล่านั้นดุกรกัสปะข้าพเจ้าเป็นเช่นนั้นใจท่านยินดีในสิ่งไร้เจ้าในเทวโลกหรือในมนุษย์โลกท่านจงบอกข้อนั้นแก่เรา ท่านรู้เวลากระสปะกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นทางอันสงบไม่มีอุปธิไม่มีกังวลไม่ติดอยู่ในการมาพบไม่มีภาวะเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ธรรมที่ผู้อื่นแนะนำให้บรรลุเพราะฉะนั้นจึงไม่ยินดีในการเส้นสวงการบูชาประโยช์สุดท้ายนั้นเป็นการอธิบายลักษณะของนิพพานที่ท่านได้บรรลุ คือภาษานิพานเนี่ยเป็นภาษาที่อธิบายยากมันเหมือนกับเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยไม่รู้ว่าอธิบายยังไงนอกจากว่าผู้นั้นจะชิมเองและจะรู้ได้ใจตัวเองรู้ได้ลิ้นตัวเองการอธิบายนิพานในที่นี้เราจะเห็นว่ามันใช้คำหลายคำคาว่าเป็นทางอันสงบไม่มีอุปชิไม่มีกังวลไม่ติดอยู่ในการมาพบ ไม่มีภาวะเป็นอย่างอืน่นไม่ใช่ธรรมที่ผู้อื่นแนะนำให้บรรลุแต่ละคํานหมายถึงนิพพานนั้นมันก็เหมือนกับในธรรมจักรวัฒนสูตรที่ทรงแสดงว่าการดับตัณหานั้นการสละตัณหานั้นการคลายคลืนตัณหานั้นการหลุดพ้นจากตัณหานั้นการไม่มีอะไรในตัณหานั้นไอ้นี้ก็คือนิพพานแต่ละข้อแต่ละข้อในหมายถึงนิพพาน หรือแม้แต่ข้อที่ว่าจะขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราในทางที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาในการก่อนมันก็เป็นสมาญาณซึ่งก็เป็นเหตุแต่งนิพพานนะแต่ว่ามันแป๊บเดียวกันนั่นเองต้นท่นั้นก็เป็นนิพพานแล้วภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่ เกิดขึ้นมาจากสัมผัสตรงภายในใจของบุคคลเหล่านั้นเวลาสื่อสารออกมาแล้วมันก็เราก็ได้แต่จินตนาการแล้วถ้าเราสัมผัสสภาวะเหล่านี้ได้เนี่ยมันคงจะเป็นสุขสงบเย็นไม่ใช่เล่นแล้วก็หมดความไม่ตกกังวลในเรื่องต่างๆชีวิตจะมีลักษณะเบาเหมือนกับนก ที่มีปีกสองปีกก็บินไปได้ท่านบอกว่ามีอารบินดาบเป็นเครื่องบริหารกายมีจีวัเป็นเครื่องบริหารทองมีจีวรบริหารกายก็สามารถจะไปไหนมาไหนได้ตามที่ต้องการปัญหาเ ห, หล่านี้เป็นเหตุที่ ท, ท่านเล่า ว, ว่าเพราะฉะนั้นจึงไม่ยินดีในการเส้นสูงในการบูชา ลำดับนั้นท่านพระรู้เวลากัสสปะลุกจากอานสนะคมผ้าอุตราสุงเฉียงบ่าทบเสียนลงที่ประบาดของพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเป็นระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าข้า ในหนังสือพุทธประวัติเนี่ยก็ได้นำหลักที่พระตถาคตอาจารย์ท่านเล่าว่าพระเวลากัสจะปรเนื่องจากคนมันมากคนเป็นแสเนเพื่อต้องการให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งหลายท่านก็เลื่อนลอยขึ้นไปสู่นภากาศลงมากราบแทบประบาทของพุทธเจ้าแล้วก็กราบลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ลงมากราบแทบประบาทแล้วก็ลอยขึ้นไปอีกจนถึงเจ็ดชั่วลําตาล เราเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่ใจของบุคคลทั้งหลายคือประเด็นตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ต้องการจะกระจัดความเครือบแคลงสงสัยที่มีอยู่ภายใ น, ในใ จ, จิตใจของบุคคลเหล่านั้นในในสถานที่เหล่านั้นลำดับนั้นพราหม์ชาวมกตทั้งสิบสองนาขุนนั้นได้มีความเข้าใจว่าท่านรู้เวลากระสปะประพฤติพรหมจารย์ในพระหมหาสมณะ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคมีทรงทราบความปริวิตกแห่งกิตของพราหมณ์เกลือปดีจามะคธ ท, ทั้งสิบสองนาุดนั้นด้วยพระทัยของพระองค์แล้วก็สมแสดงธรรมะชุดเดิมนะฮะเพราะว่าเป็นคารวาดทั้งนั้นธรรมะที่เหมาะสมแก่คารวาดก็คือไตเป็นรูปบันไดขึ้นไปนะฮะเป็นเก้าขั้นบันไดด้วยกันถ้าเราลองสังเกตและเทียบเคียงได้เลยว่า ธรรมชุดนี้ไม่เคยแสดงแก่พระแต่ว่าแสดงแก่คาวาสถ้าเป็นพระก็หมายความว่ายัางไม่ได้บวชอนะ่ะคือคือคือหมายความไม่แสดงแกนักบวชพูง่ายองนะไม่แสดงแกนักบวชแต่แสดงแก่คาวาสนอกจากอริยจัตนะนอกจากอริยจัต หรือว่าปริยายเหล่าอื่นก็แสดงแต่ว่าแนวของอนุปพิกถาอริยสัจซีเนี่ยซึ่งเป็นโภรานุศาสนีเนี่ยถ้าคนนั้นเป็นนักบวชอยู่ในขณะนั้นเนี่ยยังไม่พบว่าแสดงแต่ว่าอริยศาส์ก็ครอบจักรวาล น, นะหมายความว่าทุกอย่างเป็นอริยศัส์ทั้งหมดไม่ว่าเป็นวิจารารอะไรในปัจจุบันที่เราศึกษาเราเรียนกันในสรุปแล้วก็เป็น อริยศาสตร์ทั้งสิ้นพรา ะ, ะ น, นก็ทรงแสดงนักบุพิกถาทรงประกาศทานในกถาสีลกถาสคาคาถาสคาคาถาคือสวรรค์นะฮะหมายความว่าเป็นผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการให้ทานการรัสาศาสีนเนี่ยแล้วมันเกิดในสุกติโลกสวรรค์อย่างที่ทรงแสดงไว้เป็นนั้นมากเชน บุคคลที่ทําบุญเอาไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงก็อย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองประมองเห็นว่าตนได้ทําบุญเอาไว้แล้วหมายความว่าตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็บันเทิงยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าทานกับศีลเนี่ยเป็นบันไดที่ไต่ขึ้นไปสู่สวรรค์ วันผู้ปรารถนาความสุขระดับสวรรค์เนี่ยสามารถจะให้ทานาศาสีนสองอย่างก็ไปได้แล้วทานอย่างเดียวก็ไปได้แล้วสีอย่างเดียวก็ไปได้แล้วแต่ว่าคนเหล่า น, นั้นมุ่งทรงแสดงมุ่งให้เป็นพระยาบุคคล แล้วก็เป็นพื้นฐานในโอกาสต่อไปด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าพื้นฐานในโอกาสต่อไปท่านเหล่านี้เนี่ยออกบวดอะไรบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าไม่เคยพบจะรึกเอาไว้แล้วก็ไม่รู้ก็น่าน่าจะมีบวชบ้าง น, นะในในตอนหลังเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปมองถึงตอนพระเจ้าเสด็จไปกรุงบาลพัฒน์เนี่ยมันมีพระอรหันต์ทั้งสองมื่นนะที่ตามเสด็จไปเนี่ย สองมือในเรื่อมือนี่มาจากกรุงกบิลพัดมาจากคณะทูตที่พระเจ้าสุโทธทนาส่งมาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปที่กรุงกบิลพัดแต่ว่านอกจากนั้นโดยเด็นว่าก็มีแค่พันกว่ารูปเท่านั้นเอง น, อนีน่นอกแล้วเนี่ยคือยังนึกว่าชุดเนี่ยชุดชุดชุดสิบสองน้าหุ่เนี่ยน่าจะบวชบ้างก็ว่ากุลบุตรในแคว้นอังาาคาเมคอตเนี่ยได้เข้ามาบวช รวทบรูปกันแล้วก็เป็นพระสองหมื่นส อ, สองหมื่นรูปตามสเสด็จพระพุทธเจ้าไปกรุงกับพิลพัดกะบวนใหญ่มากนะฮืก็ออยังนึกถึงคนพลังศรัทธาของคนในสมัยนั้นก็น่าดูนะนึกดูลองจินตนาการดูว่าพระเดินทางไปมงหมื่นสองหมนรูปบนเส้นทางเนี่ยที่พักก็ดีน้ำท่าก็ดีอะไรต่ออะไรก็ดีอาหารการกินก็ดีเนี่ยน่าจะยุ่งยาก แต่ว่าด้วยบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าของพระหานทั้งหลายเนี่ยสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปได้นึกถึงดูว่าการเลี้ยงคนสองหมื่นบนเส้นทางเนี่ยไมไม่ใช่เรื่องง่ายนะม้แต่เรียกว่าฉันพออิ่มก็เถอะแต่ว่าเรื่องใหญ่จริงๆแสดงถึงพุทธบา ร, รมีนะมึงคนเกิดศรัทธาเลื่อนสายก็แห่กันมาก็เรียกว่ามือคั้างบดินเหมือนกัน มันคนมาเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยพระเ ป, เป็นหมื่นหมื่นเนี่ยคนเป็นหมื่นหมืนเนี่ยมันก็อาหารก็เหลือแล้วพระสองหมืนเนี่ยคนก็ห้าพันก็พอแล้วนะฮะคนถ้าห้าพันก็เยอะแล้วเลี้ยงเลี้ยงดูเนี่ยตักบากันคนหนึ่งจะซืห้ารูปหนึ่งก็ได้เยอะแล้วแต่นั้นก็แสดงให้เห็นถึงว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา มันเกิดขึ้นด้วยความดีงามจริงๆเลยไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาปนแทรกเลยอำนาจอิทธิพลทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการทหารใดๆ ไ, ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่ศาสนาใช้ศาสนาล้วนๆใช้ธรรมะล้วนๆบริสุทธิ์เป็นธรรมะที่บริสุทธิ์แท้ๆแล้วเป็นการทําประโยชน์เพื่อบุคคลอื่นเป็นประการสาคัญ ไม่ได้มองถึงสิ่งที่ท่านต้องการเองนะเป็นการทำงานตามโครงสร้างของพระพุทธธรรมราชที่สัตว์ส่งพ ร, ระอานรสาวก60รูปไปเผยแพร่ศาสนาที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนโน้นนะว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวจจลิกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเบญมาเพื่อความสุขแก่ชนเบญมาเพื่อเป็นการอนุเคราะต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขแก่เท ว, วดาและมนุษย์ทั้งหลาย จงแสดงทำมันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในะที่สุดสมบูรณ์ในอัตตะคือเนื้อหาะยัญชนะนคือภาษาเป็นต้นเนี่ยและจากนั้นก็เออแสดงถึงโทษความต่ำสารความเศร้าหมองของกลามทั้งหลายกลามในที่นี้จะเน้นไปในเรื่องเสพกลามนะฮะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์จะเน้นไปมากเพราะว่า คนต้องการจะมีเป็นเทพบุตรองค์เดียวนะฮะมีเทพธิดาห้าร้อยอะไรแต่ใดนี่คนชอบกันมากอย่างเงี้ยไม่รู้คิดยังไง น, นะฮะเขาผู้ชายคนเดียวเทพบุตรองค์เดียมีเทพธิดาห้าร้อยนี่ไม่รู้นึกสนุกแค่งไงขึ้นมาแต่คน ก, ก็ชอบกันอย่างเงี้ยนะมันเป็นยุค ป, ปีบนปือตัวเองด้วยการมสขขาสุการในการนอยกันมาก ผมก็ทรงแสดงให้เห็นโทษที่ชัดเจนประจักษ์แจ้งแก่ใจของบุคคลทั้งหลายทรงเรียกว่ากาอุปมาอุปมาเรื่องกามจะอุปมาไว้แรงๆนะฮะเหมือนกับลุมทานเพลิงบ้างเหมือนกับเขียงหั่นเนื้อบ้างเหมือนกับเนื้อ ย, อย่างไฟบ้างเหมือนกับถือก้เพลิงทนลมบ้างเหมือนกัสาตราบ้างเหมือนศีสะสารพิษบ้างอะไรต่อไเคือมองเห็นว่าเรื่อง กา ร, รมคุนนั้นเป็นเรื่องที่มีปัญหาแต่นี่คือเป็นการแสดงเพื่อมั่นคนิพพานนะฮะแต่แสดงระดับทิฏฐธรรมโดยเห็นว่าก็พูดหน้าที่ของสามีพัญญาที่จะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความสมานสามคัคคีเป็นอันหนึ่องอันเดียวกันเป็นการคลองเรือนคลองสุขไม่ใช่ว่ามุ่งไปสู่สูงสุดเสมอไปแล้วก็พอชี้โทษ ให้เห็นโทษของกาไม่เห็นโดยนัยยะต่างๆแล้วเนี่ยก็ทรสงสแสดงใ น, นสูงของการออกจากกามการออกจากกา่นั่นที่จริงมันมีอยู่เสียสามวิธีนะะคือคนมันมีอสีป่ประเภทประเภทหนึ่งกายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออกอย่างคนที่มัวมองหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามทั้งหลายเนี่ยข่าวคราวบางข่าวคราวในฟังแล้วมันสลดมันก็ได้ยินนะถึงไม่อ่านก็ได้ยิน ยินวิทยุได้ยินอะไรต่ออะไรเนี่ยยิ่งได้ดูก็พาดหัวหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยเราฟังแล้วเราสรุปแต่ก็กระแสะโลกมันเข้ามาแรงเหลือเกินนะฮะแรงจนไม่รู้ว่าจะไปะหยุดยั้งอะไรเขาได้แต่แสดงให้เห็นว่าจิตใจไม่ได้ใช้ปัญญาพิจิตรพิจารณาเห็นโทษ งองในแนวที่จะตอบสนองความต้องการทางปัญหาทางอารมณ์ของตัวเองมากเกินไปมันก็ฟอกอัตยาศัยกฎมาเรื่อยๆให้เห็นว่าการเป็นทิพย์ก็ตามแต่ของมนุษย์ก็ตา ม, มก็คือกามอ่ะการมก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปนหน้าตามันก็เป็นสูตรทำธรรมดาอย่างนั้นนะบอกว่าถูกกามทังหลายมันก็ตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์แล้วก็เมื่อทรงแสดงถึงตรงนี้แล้วก็ทรงทราบว่า พวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตสงบก็คือเป็นสมาธิมีจิตอ่อนก็เรียกว่ากรรมนิยะคือใช้งานได้นะฮะมีจิตมีความพร้อมแล้วก็มีจิตที่ปลอดจากนิวรณ์คือไม่มีกรรมฉันทะความกำหนัดรักให้พอใจในลมทางน้ำมันสงบนะไม่ไม่จะถึงกับกับไม่มีหรอกมนันสงบไป คือถูกสยบเอาไว้ด้วยกำลังของสมาธิที่มันเกิดขึ้นสงบกามฉันสงบพยาบาทสงบทีน้มิทะ ง, ง้เงาเหานอนสงบพยาไอสงบอุทธจากกุจะความรุ่งส่านด้างารแล้วสยบวิจิกิจฉาดความเครือแปรต้องใสเอาไว้เมื่อทรงทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจะมีวอนมีจิตเบิกบานมีจิตผองใสแล้ว จึงทรงประกาศกฐามเทศนาหลักนะฮะคือมาสรุปรวมที่อริยสัจทั้งสี่ประการได้แก่ทุกข์สั์ความจริงคือทุกข์ได้แก่ชาติความเกิด่ความเกิดชราความแก่มรณะความตายนะเกิดแก่ตายนะเกิดแก่ตายที่เป็นสภาวะทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นความสุขความร่ำรวยลำพันธ์ความทุกข์ความเจริญใจความขับแก้นใจทั้งหมดนั้นมันเป็น ผรพวงที่เกิดมาจากความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราต่างๆและสมุทัยก็เน้นไปที่ตัณหาทั้งสาประการคือการมาตัณหาจิตที่ดิ้นรนทะเยอทยานอยากในวัตถุกรมทั้งหลายเพราะว่าตัณหาแต่จิตที่ดิ้นรนทะเยอทยานอยากเป็นในฐานะต่างๆตําแหน่งชั้นยศต่างๆตลอดถึงเป็นเทพปวุติเึ็นเทพธิดาในสวงสวรรค์ แล้ววิปวัตตหาความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งนั้นๆประการต่อไปก็คือส่งแสดงนิยต์คือความดับทุกข์ะทุกปริยายของนิโต์ที่สงใชัยคู่กันไปเสมอเนี่ยคือการดับตัณหานั้นการสละตัณหานั้นการถ่ายถอนตัณหานั้น การคลายคืนตัณหานั้นการหลุดพ้นจากตัณหาแล้วการไม่มีอะไรไม่มีเยอะใหญในตัณหาที่หลุดพ้นไปแล้วแล้วก็แสดงอริมัชย์ในองแปดประการคือปัญญาเน้นชอบตำลีชอบการงานวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบตั้งสติชอบแล้วก็ตั้งสมาธิ คือใจิตใจมั่นคงที่ชอบอจนดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุรีปราศจากมุนทินนะเกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คาว่าธรรมาจาักสุแป็นว่าด ว, วงตาเห็นธรรมโดยความหมายก็หมายถึงว่า บรรลุมระขนเป็นพระบุคคลระดับโซดาบันเออซึ่งคุณลักษณะของโซดาบันอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วเนี่ยคือสามารถจะมองจากมุมต่างๆเป็นอันมากโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือมุมที่น่าศึกษาเนี่ยเราไม่ต้องรุนแังมากเกินไปไปใช้ความเชื่อเป็นหลัก คือคนเราในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วอนะในโลกนี้ไม่มีใครควรแกร่การเชื่อถือยิ่งเกินกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงโดยเฉพาะในด้านของพระาศาสนาในด้านของธรรมะนะเราไปพูดเรื่องเชื่อโลกเรื่องอะไรตอะไรหรือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดานะฮะไม่ได้มาสอนเรื่องเชื่อโลกเรื่องอะไรกันดู สอนเรื่องทุกเรื่องกับความดับทุกเป็นประการสาคัญเพราะถ้าเรื่องของทุกเรื่องเหตุเกิดของทุกเรื่องความรดับทุกเรื่องข้อปฏิบัติได้ถึงเรื่องความระดับทุกแล้วเนี่ยอย่าไปเชื่อคนอื่นน่ะเชื่อตามพระเจ้าว่าเพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่ทรงแสดงนั้นจะเป็นเหตุที่ทรงแสดงเหตุเพื่อให้เกิดผลแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติคือสามารถที่จะสัมผัส ผลที่ลึกซึ้งขึ้นไปได้โดยลำดับดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิพพิจนาแล้วในว่าใ้กระบวนการของอริยสัจเนี่ยมันเป็นความจริงที่คุมทุกเครื่องอะอะไรก็ตามมันก็ไม่พ้นจากแวด่งของอริยสัจไปได้ แล้วเมื่ออริยศาสตร์เป็นข้อที่พระเจ้าทรงสัสรูแล้วก็ทรงสดแสดงเอาไว้อยากสมมติว่าสวรรค์นรกกันเนี่ยนะสวรรค์ น, กนรกนี่เราเห็นว่าสวรรค์นี่มันก็มาจากมรรคศาสตร์นรกมันก็มาจากสมมติไตรศาสตร์ผลของสมมติทไตรก็คืออะไรก็คือทุกข์ผลของมรรคก็คือนิโรธคือความดับทุกข์มันมีอย่างนี้อยู่ทุกขั้นตอนจะเป็นหยาบกลางละเอียดก็ตามเพราะตัวทุกข์นั้นก็คือสภาพของปัญหา สมุทัยก็คือสาเหตุของปัญหานิโรธก็คือความไม่มีปัญหามากก็คือหลักการวิธีการในการที่จะดับปัญหาหรือที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นซึ่งหลักการตรงนี้ยเมื่อเรานำไปเทียบเคียงกับสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรารูซิว่ามันอยู่รวมไหน น, นี้มันเป็นกลุ่มทุกกลุ่มทางมุทยกลุ่มนิโรดหรือกลุ่มมรรคแล้วก็จะจับเห็นเลยทําให้เราปรุงใจเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพระเจ้าสัจรู้จริงๆสแสดงธรรมะมากมายแก่กองเสร็จแล้วสามารถสรุปเป็นอริยสัจสรุปเป็นอริยมรรคสรุปเป็นไตรปิคขาสรุปเป็นอัปปมารสรุปได้ทั้งหมดแล้วมันก็แตกกิ่งการสาขาออกไปใหญ่โตยัตยงไงก็ได้ แต่พอสรุปก็สรุปลงมาได้นี่ก็คือความอัศจรรย์ของพระสัพพัญยุตยานที่เรามองอะไรมันก็คลุมกันไปหมดเพราะในการดูดวงตาเห็นธรรมนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลรวมมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่พวกพราหม์กลือบดีชาวมคดสิเอ็ดนะ้ า, า, า, นาหุ่นอย่าลืมก็มาสิบสองน้าหุ่ แต่บรรลุปเป็นพระโสดา บ, บัน12หน้าหุบ11หน้าหุดก็คือแสนหนึ่งหมืนคนซึ่งมีพระเจ้าพิมิสารเป็นประมุขณนะที่นั้นนั่นแหลดูดผ้าที่สะอาดปราศ จ, จากมนทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นพรามเคีอบรีอีกหนึ่งนาหุดคือห น, นึ่งหมืนรูปหนึ่งมืนท่านเนี่ยก็แสดงตนเป็นอุบาสก นี้ก็เป็นความสาเร็จอย่างสูงในการเผยแร่ศาสนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าเรยเห็นว่าชาวบ้านในเป็นกอะเป็นกรรมตรงนี้เองเพราะว่าตอนตอนตอนก่อนเนี่ยเจอนณกบวชมีราสุบัติกาสามสี่ ค, 3, คนด้นั้นเองแต่ว่าที่แปลกก็คือว่ามีคนถวายพัตตาหารที่เสด็จไปบิณฑบาตอย่างตอนที่ ร, รูปเวลากลาสปะเกิดขึ้นแล้วเป็นพันรูปอย่างเนี้ยนะเราจะเห็นว่าชาวบ้านจริงๆยังไม่มีชาวพุทธนะแล้วมีชาวพุทธแต่ว่าโดยความสวยงามความน่าศรัทธาเรื่องใสเนี่ยทาให้คนก็แห่กันมาตักบาทท่านารวบรวมด้วยจติตปัจจัยท่านก็อยู่สะดวสบายคือสะดวสบายยังไงเขาก็ไม่สําคัญนะท่านเป็นพระหรันแต่ว่าถ้าเรามองในแง่มุมของปรติสาตรของสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิด ว่าคนพันเนี่ยนะพระพันหนะึ่งแล้วก็อยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธเนี่ยแต่ว่ามีคนเลี้ยงดูรับผิดชอบเลี้ยงดูได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากทีเดียวท่านฟังทั้งหลายใต้โลกมโหติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญมโหงำไปบูรณาธรรมยมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี